อย่างอะไรนะเกิดมาเขามีสุนัขตัวหนึงเจ้านายรอกมากก่อนจะตายทำที่นายกรรมเอาไว้สั่งทนายไว้เบ็ดเสร็จหมดจะต้องจ่ายค่าอาหารให้สุนัขตัวนี้วันละเท่านี้จํานวนเท่านี้อะไรงเ้ยนะก็ตายไปนะโอ้สุนัขอ็มบิน ม, มันจะไปกินเท่าไหร่นะเป็นสุนัขนะมันก็อย่างว่าจำสุนัขมีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านเนี่ยทาอะไรได้ออเป็นสุนัขอย่างเงนะี้ยนะฉ่นก็อย่างว่าเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ เป็นคนที่ไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรวิจิตพิสดารออกทุนไว้เลี้ยงเดราดเนี่ย50าสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่คนไทยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งฝรั่งเขาจะทำอย่างนี้เลยนะเาให้กองทุนเลี้ยงจราเข้อย่างนั้นนะให้แล้วก็ให้จริงๆด้วยนะมันทวงจราเข้ฟาร์มนี้ก็สบายสบา ย, บายกินอิ่นนอนหลับเอาไม่ล่าเกิดเป็นจราเข้แล้วนะเพราะให้ทานมาดีก็จะมีกินตลอดลงนั้นะ นะนถ้าเกิดเปนเดรัจงก็เป็นวัวชั้นดีก็ให้หญา ก, กินตามเวลาดูแลอย่างนี้คุณซสอ้วนเปรมปรีเลยรอย่างงี้ย่ดีตรงนะนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทานอย่างเดียวจึงไม่พอต้องศีลด้วยอันมนุษย์ทั้งหลายเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานั้นด้วยผลของศีลด้วยแต่ถ้าผลผ ล, ลิตจากทุศีนมาตามให้ผลนเะช่นถ้าเป็นมนุษย์่ออดีตชาติเนี่ย รักษาศีลไม่ดีกรรมที่นําเกิดเนี่ยนะมันจะทําให้วาแหวงตามร่างกายร่างกายจะมีปัญหาพิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นเศษของการทุศีลออกมาที่มันตามมาให้ผลทรัพย์สินสูญเสียสูญเสียทรัพย์สินเป็นต้นก็ผลกลิ่นอายของความทุศีลมาให้ผลไปที่ไหนคนก็รังเกียจคนก็ขยะขยงเป็นต้นหมันไส้ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเศษเศษของความทุ่ศีลมันตามมาให้ผล ถูกแต่ลอกเป็นต้นตลอดเนี่ยนะก็เป็นเศษเศษของความทุศีลไม่ฉลาดเลยเบลอจำอะไรก็ไม่ค่อยได้เนี่ยนะจำได้แต่เพิ่เจอเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เศษเศษของศีนมาเหมือนกันพันของทุศีเพาะความทุศีนเนี่ยเลวร้ายตลอดแต่ถ้ารักษาศีนเนี่ยจะดีผลจะให้มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นมนุษย์เทพที่ทท เราต้องมีคุณสมบัติของมนุษย์พันการให้ทานดีและรักษาศีลดีก็เป็นเหตุให้เกิดมันเป็นในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์สวยสมบัติเช่นกับสวรรค์ถ้าเกิดเป็นเทวดาอย่างมีความสุขเนี่นะพันศักคกถาที่พระองค์แสดงว่าชื่อว่าสวรรค์นี้หน้าปรารถนาน้าใคร่หน้าพอใจกีฬาคือการละเล่นอันเป็นทิพย์สมบัติย่อมได้ในสวรรค์นี้เป็นนิส ความเพลิดเพลินเนี่ยนะในสวรรค์เนี่ยน่าเพลิดเพลินยิ่งนักแม้กระทั่งอย่างยกตัวอย่างเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชก็ได้ทิพยสุขสมบัติสุขอยู่9ล้านปีด้วยกันนีนะเรียกว่าถ้าท่าบุญแบบบุญชั้นดีนําเกิดอยู่ท่าวอายุขัยก็9ล้านปีทิพย์เนี่ยนะเรียกว่าอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็ถ้าเป็นดาวดึงก็สเสวยที่ผสมบัติอยู่ตลอด36ล้านปีเนี่ยนะ ก็คือ36ล้านปีอยู่อย่างสุขสบายอยู่36กล้านปีในเทวดาชั้นดาวดึงผล ส, ส, สมบัติในสวรรค์เนี่ยนะสำหรับผู้ที่สวยสุขในสวรรค์เขาบอกว่าสุขเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าสุขของพระเจ้าจักรพัตเนี่ยนะพระเจ้าจากักรวตรที่มีแผ่นดินเนี่ยเท่ามาหาสมุทรทั้งสี่มีมีผู้ที่คอยดูแลสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการ เขาบอกว่าความสุขของสวรรค์ของพระเจ้าจักรพรรดนั้นไม่ได้เศษเสี้ยวของการของการเกิดในสุคติโลกสวรรค์เลยนะมันถือว่าผู้ที่เกิดในสวรรค์เนี่ยมองเห็นสมบัติของมนุษย์เช่นกับสมบัติของคนกัมพาระเนี่ยนะมองเห็นสมบัติของมนุษย์เท่ากับสมบัติของคนกัมพร้าอนาถาทันทีอย่างเช่นอ่ะอย่างที่ในในนั้ น, น, น, น, น, น, นอ่ะนะ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 ความสุขของผู้ที่รักษาอุโบสถที่อยู่ในสุขติลโลกสวรรค์จาตุมอยู่เก้าล้านปีดาวดึงสาสบกล้านปียามาก็สูงขึ้นไปอีกตามลำดับเนี่ยนะพันก็ความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมากเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ประกาศถึงความจริงอะนะต่อไปก็ประกาศกา ม, มาทีนกว่าถึงสวรรค์นะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนไม่ควรทำความพอใจเพลิดเพลินกำหนัดลุ่มหลงอยู่ในสวรรค์เหล่านั้นเลยเหมือนใดเหมือนไปเที่ยวสวนอย่างเพลิดเพลินเลยนะโอ้ยสวนดอกไม้นี่สวยจริงๆเลยนะเขาบอกว่าสวยใช่หน้าหนาวสวยสวยพอไปหน้าฝนนี่เละเลยเลยนะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันผิดฤดูแล้วใช่ไห ดอกไม้ที่ประดับประดาตกแต่งนี่สวยไหมสวยโอยเทศกาลดอกไม้นะสวยไปหมดบอกหมดเทศกาลเนี่ยขยะดอกไม้เต็มไปหมดอีกเหมือนกันเนี่ยนะมันก็อย่างนั้นแหละมันถึงถึงจะน่าถึงจะงดงามปานใดก็ตามมันก็เที่ยงเวลายั่งยืนไหมเป็นไปเช่นนั้นตลอดไปไหมเหมือนกับสีสวยๆเนี่ยนะมันแปรเป็นอื่นไปแล้วเป็นยังไง นะดอกไม้สีสดสวยๆเนี่ยนะเอาถ้าพี่ต่อยเนี่ยมาประดับไว้แต่อย่างเงี้ยตลอดไปเลยเป็นยังไงอาทิตย์หน้านี่มาดูไม่ได้แล้วนะอีกสิบอาทิตย์ข้างหน้าถ้าวางไว้อย่างเงี้ตลอดไปเราจะเป็นยังไงอันนี้ทวารตาเนี่สีสวยโอ้ผ้าสวยๆเนี่ยใสเลยไม่ต้องถอดล็อกแล้งั้ น, นจะเป็นยังไงใช่ไหก็คือสิ่ง น, น, นั้นก็เปลี่ยนได้ด้วยอาหารแม้อร่อยเหลือเกินเนี่ยทานเอาไว้แล้วก็หมักไว้ในท้องตลอดไปไม่ต้องอะไรทั้งนั้น มันก็ชักไม่ไหวแล้วใช่ไหมร่างกายเนี่ยเอาเราบอกโอ้สวยเหลือเกินอีกห้าสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนะาะเห็นไหมถ้าเจอกันอีกครั้งตอนอีกห้าสิปีข้างหน้าเจอกันอีกทีจะเป็นยังไงเนาะอีกร้อยปีข้างหน้าเจอกันอีกรอบจะเป็นยังไงเนาะโอยเหลือเขาเดิ ม, มั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนั่งสั่นเขาก็เงื่อนเงื่งอย่างนั้นแหละนะเพราะนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละมันสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมนะถามว่าถ้าอยู่ในสวรรค์สบายเหลือเกินถ้าหมดบุญเราจะไปไหนต่อ ถ้าอยู่ในสวรรค์นี่จะทําบุญมากหรือจะทําบาปมากแต่พวกเราไม่แน่นะจึงอยู่กรุงเทพนะในเมืองสวรรค์ยังทำบุญเลยนะอยู่เมืองสวรรค์ยังให้ทานยังฟังธรรมเลยนะแต่ก็ถ้าเทียบชีวิตบอกอยู่ในกรุงเทพมา ก, กี่สิปีแล้วบอกโอ้รู้หลายสิปีแล้วแบานั้นถ้าฟังธรรมกับฟังอย่างอื่นอันไหนมากกว่ากันนะก็รู้เลยโอ้เนี่ยแล้วสมบัติเรานี้มันจะยั่งยืนได้ขนาดไหนใช่ไหมมันไปกับเรื่องอื่นเนี่ยซะส่วนใหญ่ใช่ไหมบอกโอ้ฟังธรรมบอกทำไมบอกว่างแบบนั้นนะ บริหารจัดการเสร็จแล้วสรุปาว่างก็เลยเออมีเวลาไปฟังธรรมเหมนกันนะแต่ถ้ามีแวบเดียวมีธุระนิดหนึ่งก็ไปแล้วเนี่ยตรอนตรอนตรอนว่างอีกทีนึงแลเอเอพอมาทีนึงเหมือนกันไปฟังธรรมไปหน่อยหนึ่งแล้วก็สลบแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็สลบนี่นี่หน่อยหนอยอยู่งั้นเลยน่าสงสารขนาดไหนเนาะเนี่ยนะใช่บุญซะเพลินเข้ามานื่งในใจถ้าหมดบุญแนละ้วไปอยู่ไหนกันเนาะยังห่งหวงอยู่เหมือนกันเนนั่งเรื่องนะถ้าหมดบุญแนละ้วไปอยู่ตรงไหนต่อหนึ่ ง, งกําลังทําบุญอยู่เนี่ยนะอธิบายได้นั่งเงนะ